อีกอย่างหนึ่งความมาความก้าวไปเฉพาะความเข้าไปหาความเข้าไปนั่งใกล้พึงมีแก่ชนทั้งหลายผู้มีความต้องการด้วยปัญหาผู้ถามปัญหาผู้ประสงค์เพื่อจะฟังปัญหาแม้ด้วยเหตุอย่างนี้ดังนี้จึงชื่อว่าเรามีความประสงค์ด้วยปัญหาจึงมาอีกอย่างหนึ่งอาคมแห่งปัญหาของพระองค์เนี่ยมีอยู่นะ พระองค์นี่เป็นผู้สามารถจะตรัสถามกล่าวแก้กับข้าพระองค์ข้อนี้จงเป็นภาระของพระองค์แม้ด้วยเหตุอย่างนี้บอกว่าเราเป็นผู้มีความประสงค์ด้วยปัญหาจึงมาคือพระองค์เนี่ยปัญหาเหล่าใดาที่บุคคลถามพระองค์สามารถแก้ได้หมดอจึงเข้ามานัสรุปว่าข้าพระองค์มีความประสงค์ด้วยปัญหาจึงเข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไม่อาศัยตันหาที่ที่ ผู้คงที่ในอิทธารมและอ น, นิถารมเป็นต้นผู้ไม่หลอกลวงพระองค์ผู้มาเป็นคณาจารย์ของชนหมู่มากเนื่องในาศาสนานี้ก็คำถามว่าเมื่อภิกษุเกลียดอยู่ซึ่งวัตะเนี่ยนะ่องเสพที่นั่งอันว่างเปล่ารุกขมูลสุสานที่นั่งในถ้ำแห่งบันพศทั้งหลายอันนี้ก็คือข้อปฏิบัติของพิสุก่อนเนี่ยนะคือภิษุกรูปนั้นเนี่ยเกลียดวตตะ เมื่อเกลียดวัฏฏะอย่างนี้ก็ไปหาที่อยู่ที่เงียบๆ น, นะอธิบายว่าเมื่อภิกษุเนี่ยนะภิกษุนั้นน่ะทั้งที่เป็นพระเสขะหรือกัลยาณปุตุชนเนี่ยนะคำว่าเกลียดอยู่ภิกษุที่เกลียดเนี่ยก็คือภิกษุนั้นเกลียดอึดอัดประอาเบื่อหน่ายชาติชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสและอุปาญาต์กว่าภิกษุโดยสัแปลว่าผู้เห็นภายในวัฏะใช่ไหม อันนี้ก็เกลียดรังเกียจชิงชังชาติชรามรณาโซกะปริเทวทุกขโทมานัตอุปาญาตนะเกลียดอึดอัดระอาเบื่อหน่ายทุกในนรกทุกในเดรชานเปรตติวิสัยและมนุษย์นะเกลียดอึดอัดเบื่อหน่ายระอาในคันเกิดในคันการตั้งอยู่ในคันการคลอดจากคันหรือว่า เกลียดอึดอัดระอาเบื่อหน่ายทุกที่ติดตามสัตว์ทุกอันเนื่องมาจากสัตว์ผู้เกิดทุกแต่การขวนขวายของตนด้วยว่าจากความขวนขวายของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นทุกขทุกข์สังขารทุกข์วิปริณามทุกเนี่ยนะพันเกลียดอึดอัดระอาเบื่อหน่ายตำโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคศีษะโรคหูโรคปากโรคฟันโรคไอหืดวัดไข้ ทรพิษไข่เสื่องซึมโรคท้องโรคลมสลบโรคบิดโรคจุกเสียดโรคลงรากโรคเลื่อนโรคฝีโรคกลากมองคร้อบ้าหมูหิตเปื่อยหิดด้านหูและลอกคุธราชโรคอาเจียนโรคดีกำเริบเบาหวานโรคเริ่มโรคผูพองโรคฤทธิ์สีดวงอ่ะนี่ยเกลียดเป็หมดทุกโรคนั่นแหละหรือว่าเบื่อนาอิฐอัตรอาอาภาที่มีดีเป็นสมุทฐานเสพหามีลมมีไข้สันนิบาต เกิดจากอุตุแปรปรวนการบริหารไม่สม่ำเสมอเกิดจากความเพียรเกินกําลังเกิดจากวิบากของวิบากกรรมของตอนเนี่นะยนะเกลียดตรงไหนบ้างคุณบุญโชในชีวิตเนี่ยนะ <c oughs> จะเอาส่วนไหนรักษาไปบ้างนะนะไม่ได้ไไดครบหาสมาคมด้วยไม่ได้ซากอย่างเลยนะหรือไม่ว่าจะเป็นเดียนนเด๋ยวก่อนหนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะอย่างไรเลยหรือว่าทุกที่เกิดจากสัมผัสแห่งเหลือบยุงตัวลักเหมือน ลมแดดสัตว์เสือคลานทั้งหลายเนี่ยนะอยู่นี่ก็ยังชั่วหน่อยตัวรักไม่รอบ ก, กัดนะนั่ลักกัดเอาเลยอ่ะเนี่ยกลับไปก็ไปนอนโซมีกันนะหรือว่าทุกเพราะพ่อตายแม่ตายพี่ชายพี่หญิงบุตรลูกชายลูกสาวตายนะหรือว่าทุกเพราะเสียญาติเสียทรัพย์หรือว่าทุกเพระพ า, า, พ า, พ า, า, านะโรคทุกเพราะเสียศีลทุกเพรา ะ, ะเสียสทิฐิเนี่ยนะตรงนี้ก็พันพิษสูงเนี่เกลียดนะเกลียดหมดเลยเนี่ยนะ ไม่ว่าจะเกลียดชาติเป็นต้นเกลียดการเกิดในคติห้าเกลียดเวททุกเกลียดโรคเกลียดอาพาธเกลียดวิปโยคทุกเกลียดสัมปโยคทุกเป็นต้นเนยนะรังเกียจเกลียดไปหมดนะไม่ต้องการซากอย่างเนี่ยนะพอรังเกียจเกลียดชังอย่างนั้นก็ไปเสพที่นั่งอันว่างเปล่าคือไม่ว่าจะเป็นที่นั่งคือเตียงตังฟูด อฟูกเสื่อท่อนหนังเครื่องลาดด้วยหญ้าเครื่องลาดด้วยใบไม้เครื่องลาดด้วยฟางที่นั้นเร smells, ียกว่าที่นั่งที่นั่งนั้นะว่างเปล่าสงัดเงียบจากการเห็นรูปฟังเสียงนะจากกลณ่นรถโพธาพานะถามไอ้ที่เงียบเงียบเนี่ยเอาอะไรเป็นเกณฑ์เขาบอกว่าเงียบจากผู้หญิงนะตัวตรงนี้ท่านบอกตรงๆเลยว่าเงียบจากผู <Skills ibles S 2> ้หญิงนั่นแหละถ้าผู้ชายนะถ้าผู้หญิงก็เงียบจากผู้ชายนั่นแหละอันนั้นก็ไปหาที่เงียบเงียบจากเพศตรงกันข้ามอ่ะราะ พอถ้าเห็นกันปั๊บเนี่ยโอ้ยไม่รู้บาปมันไหลมาจากพลังพรูไปหมดอั่นนะอีกฝ่ายหนึ่งเห็นฝ่ายหนึ่งก็บาปทั้งคู่นั่นแหละนั้นก็เรียกว่าหาที่มันเงียบๆเว้นจากพวกนี้ซะนะหญิงก็เวน้นว่างจากชายชายก็หาที่ว่างจากหญิงนั่นแหละพรันทิกว่างเปล่าสงัดเงียบจากเบญจา ก, กามคุณไม่เป็นที่สายเมื่อพิโสซ่องเสพซ่องเสพเสมอเสพอาศัยซ่องเสพเฉพาะสิ่งนั้นะ่ะ ที่นั่งนั้น่ะเรียกว่าเสพที่นั่งอันสงัดไม่ว่าจะเป็นรุกขมูลหรือป่าช้าเนี่ยนะสุสานคือป่าช้าเนี่ยขอาหาที่นั่งอะป่าช้าเนี่ยใครจะเข้าไปนะเงีบขนาดเนี่ยต้องป่าช้าแบบปิศาลอยนะเนื้อที่ห้าร้อไร่เนี่ยไปนั่งอยู่คนเดียวไงนะใครจะไปชมเนี่ยเงียบอยู่นั่นแหละเก่งวันนั้น ย, ยังไม่มีใครโผล่ไปแถวนั้นเลยนะทําเขาไม่เผาศพจริงๆเขาไม่เข้าไปรอกเนี่ยนะ หรือว่าไปนั่งในถ้าแห่งภูเขาทั้งหลายก็คือที่ภูเขาที่ซอกเขาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นบรรพทศคือภูเขากันตะระคือซอกคิริคูหาคือถ้าในภูเขาท้องภูเขาแห่งภูเขาทั้งหลายบางบางถ้ำเนี่ยนะมันต้องลงไปลึกนะถ้ำเป็นโพรงเขาอะนะต้องลงไปลึกนั่นแหละเพราะฉนั้นเมื่อพิสุเกลียดอยู่ซ่องเสพเสนาสนะที่ว่างเปล่าเนี่ยนะเป็นลุกขมูลหรือป่า อาชาเนี่ยที่นั่งหรือที่ถ้ำแห่งบรรพศเนี่ยก็เกลียดวัตะนะก็ไปหาที่ลีกที่ได้นะนะเรียกว่าจะต้องหาสนามซะหน่อยนะสนามหรือว่าสถานที่ที่เพื่อจะออกจากวะตตะคำว่าที่นอนทั้งหลายอันสูงและต่ำภิกษุร้องอยู่เพราะที่นั้นมีอารมณ์นาหวาเสียวอันเป็นเหตุให้ภิกษุไม่พึงหวั่นไหวในที่นอนที่นั่งอันไม่มีเสียงกึกก้อง คำว่าที่นอนสูงที่นอนต่ำนะก็คือสูงต่ำคือเลวพระนิษดีชั่วเสนาสนะนั้นไม่ว่าจะเป็นวิหารเรือนมีหลังคาแถบเดียวปราสาเรือนโลนธรรม น, น้เรียกว่าที่นอน คำร้องอยู่ก็คือพิษสุร้องคือบรรลือออกเสียงเนี่ยนะก็คืออารมณ์ที่น่าหวาดกลัวน่าหวาดเสียวมีประมาณเท่าไหร่อย่างไรมีประมาณเท่าไหร่มีกําหนดเท่าไหร่มีมากเท่าไหร่ชื่อ ว, ว่าอารมณ์น่าหวาดเสียวไม่ว่าจะเป็นราชสีเสือครวญเสือเหลืองมีเสือดาวหมาป่าป ա, โคกระบือช้างงูแมลงป่องตะขาบโจรคนที่ทํากรรมชั่วหรือคนที่เตรียมจะพร้อมทํามทำกรรมชั่วหรือว่าร้าองอยู่เนี่ยนะก็คือเจออารมณ์ที่น่าหวาดเสียวมันก็น่า คำมาร้องก็ไม่ได้ร้องให้คำควรอะไรหรอกแต่ว่าผมน่ากลัวจริงๆนะถึงก็เอ่ยปากเลยนะร้องเอ่ยปากเลยผมน่ากลัวจริงๆมา คำว่าอารมณ์ที่หน้าหวาดเสียวเนี่นะความว่าภิกษุเห็นหรือได้ยินซึ่งอารมณ์อันหน่าหวาดกลัวเท่าใดเป็นเหตุให้ภิกษุไม่พึงหวั่นไหวไม่พึงสะทกสะทานคือถ้าไปเจออารมณ์อย่างนั้นทํำยังไงจึงจะไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะทานไม่ครั่นคล้ามไม่สะดุ้งไม่หวาดเสียวไม่ตกใจไม่กลัวไม่ถึงความสยดสยองไม่พึงเป็นผู้คลาดไม่ขยาดไม่หวั่นไม่หนีละความกลัวความหวาดเสียวความ อ่าปราศจากขน ล, ลุกชูชันจึงแก้วอันเป็นเหตุให้พิสุไม่พึงหวั่นไหวคําว่าในที่นอนที่นั่งอันไม่มีเสียงกึกก้องอ น, นะก็คือในเสนาสนะอันมีเสียงน้อยปราศจากเสียงกึกก้องปราศจากชนผู้สัญจรไปมาเป็นที่ควรทํากรรมลับของมนุษย์สมควรแก่การหลีกเล่นเนี่ยนะนี่ข้อต่อไปว่าคําถามว่าเมื่อพิกษุไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปคือนิพพานเนี่ยนะ ภิกษุเพึงปราปรามอันตรายเหล่าใดในที่นอนที่นั่งอันสงัดอันตรายเหล่านั้นมีเท่าไหรในโลกก็ถามถึงอันตรายทั้งหลายนะที่มีอยู่ในโลกอันคําว่าอันตรายเนี่ยนะอันตรายเหล่านั้นเนี่ยอันตรายก็แบ่งเป็น2ออย่างคืออันตรายปกปิดกับเปิดเผยอันตรายปรากฏกับปกปิดเนี่ยนะอันตรายปรากฏคืออะไร อันตรายปรากฏก็คือมันเห็นเห็นกันนะใครก็ยอมรับว่ามันเป็นอันตรายจริงๆไม่ว่าจะเป็นราชฎสีเสือโครงเสือเหลืองมีเสือดาวมา้าป่าโครกระบือช้างงาช้างม้าช้างงูแมลงป่องตะขบับเนี่ยพวกนี้ใครเห็นก็ยอมรับว่ามันอันตรายใช่ไหมร้องบอกคนหน่อู้อันตรายอันตราย หรือว่าพวกโจรคนที่ทํากรรมชั่วคนที่เตรียมจะทําชั่วหรือว่าโรคนะโรคทั้งสารพัดเนี่ยเขาก็เรียกว่าอันตรายนะหนังสือทางการแพทย์ยังออกมาเลยโรคนี้อันตรายนะก็เตือนกันลายล้าโรคอยู่เรื่อยนะวารสารต่างๆออกมาเตือนว่าเออโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคศีรษะโรคหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคหืดไข้หวัดไข้ทรพิษเสื่องซึมโรคท้องโรคลมสลบบิดจุกเสียตรากเลือนฝีกลากมองคล้อ ว่าจะเป็นลมบ้าหมูหิตเปื่อยหิดด้านหูดละลอก น, นะคุทราชอาเจียนเป็นเลือดดีเดือดเบาหวานโรคเรื้มผู้พองฤๅษีดวงหรืออพารที่เกิดจากดีเสมหะลมไข้สันนิบาตเกิดจากอากาศเปลี่ยนบริหารไม่สม่ําเสมอความเพียรเกินกําลังหรือผลแห่งกรรมหนาวเขาก็เตือนเลยใช่ไหมเขาก็เตือนเออเดี๋ยวหนาวนะปีนี้หนาวมากร้อนมาก น, นะช่วงเวานี้เวลาหิวต้องรีบกินนะเขาก็เรียเตือนเตือนกั น, นะแสดงว่าอันตรายเนี่ยเปิดเผยจริงๆ หรือความกระหายปวดอุจจาระปสัสาวะเขาก็เตือนนะอย่าไปกลัน้นอุจจาระปสัสาวะนะมันอันตรายอย่างนั้นอย่างนั้นนะเขาก็เตือนกันหมดอะ่ะไม่ว่าจะเป็นสัมผัสที่เกิดจากตัวยุงตัวเหลือบตัวลักอ่ะนะเขาก็เตือนกันหมดอะ่ะมันไม่ดีอย่างเงี้ยนะลุงแต่แ่ยุงลายเขาว่า ian, ไงอเดี๋ยวไข้เลือดออกอะนะกลนปล่องแล้วก็มาลาเรียอยนะ่างเงี้ยนะเตือนกันหมดนะนะตากแดดเกินไปจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผิวจะเสียเนี่ยนะเดี๋ยวผิวหนังจะเดี๋ยวผิวหนังจะเสียเป็นมะเรง็งผิวหนัง พันช่วงสิบเอดโมงถึงบ่ายสามผิวจะเสียหยงนั้นนะนะมันมีรังแสงเออมีรังสีไอตัวนั้นตัวนั่นทําให้มีโทษงั้นก็ออกมาเตือนกันน่าดูเลยนะหรือว่าเนี่ยลมเนี่ยลมเออลมแบบนี้มันลมมีฝุ่นนะอย่างเงี้ยหรือสัตว์เสือคลานงูงเหี้ยลทั้งหลายเนี่ยก็ปุยเตือนกันมากแสดงว่าอันตรายมันปรากฏนะนะพ่อก็ห้ามลูกห้ามล้านเป็นต้นเนี่ยแต่มาดูอันตรายปกปิดสิความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความชั่วทางใจเนี่ยปกปิดนะห้ามเตือนกันไม่ค่อยได้ด้วยนะ แอบแอบทกันด้วยใช่ไหมปกปิดกันหน้าดูเลยนะไอ้คนอื่นทําก็ปกปิดกันอีกนะเนีแล้วก็พยายามจะปกปิดกะมิดกระเมียนแอบทําอยู่นั่นแหละหรือว่าทําแล้วก็ปิดตัวเองไว้อะนะมันอันตรายปกปิดจริงๆแม้กระทั่งกามาฉันท่าพยาบาทถีนมิถะอุทะจักกุกุจาวิจิกิจชานี่ก็ปกปิดนะแอบแอบคิดนะแอบแอบทำแอบแอบเป็นอกุศลนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นอันตรายที่ปกปิดตัวเองก็ไม่คิดด้วยว่ามันจะมีโทษใช่ไหม สคำว่าเกิดราคะขึ้นเกิดโทสะเกิดโมหะขึ้นเนี่ยใครจะคิดว่าตัวเองจะมีโทษนั่งซึมๆึเซ่อเบืออย่เงี้ยนะงโง่โเงี้ยมีโทษตรงไหนเนี่ยนะฉันก็นั่งเฉยเฉยอ่ะจะมีอะไรอย่างเงี้ไม่คิดว่าจะมีโทษอ่ะเรียกว่าอันตรายปกปิดหรือโกรธขึ้นมาเนี่ยนะสมมติว่าคนอื่นเขาทําของเราเสียหายเราโกรธขึ้นเนี่ยเราคิดไม่ว่าเรากําลังอันตรายนะยากเนี่ยนะไม่ค่อยคิดเนี่ยนะมองไม่เห็น ทั้งความกโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ตีเสมอความริษยาตณีมานยาโออวดกระด้างแข็งดีถือตัวดูหมิน่นความเมาประมาทกิเลสทุจริตความกวนกวายความเร่าร้อนความเดือดร้อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ยอมรับว่ามันอันตรายเนี่ยพวกบาปอากุศลกิเลสทั้งหลายเนี่ยไม่คิดว่าเป็นอันตรายใช่ไหมเอาคิดว่าดูชมนกชมไม้ด้วยสบายๆเนี่ยนะคิดว่าไม่อันตรายฟังเพลงที่เราชอบเราคิดมันอันตรายตรงไหน ใช่ไหมเปิดดูหนังดูละครที่เราชอบชอบเนี่ยนะไปเที่ยวที่เราเพลินเลยนะเอ๊ะมันอันตรายตรงไหนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอันตรายปกปิดเนี่ยนะอันตรายปกปิดเี่าว่าทําไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วก็แหมนึกไม่ออกเลยมันจะเป็นอันตรายได้ยังไงถ้าพระองค์ไม่ชี้ไม่แนะเนี่ยนะที่ชื่อว่าอันตรายเนี่ยนะกิเลสบาปอกุศลที่กล่าวไปเนี่ยมันอันตรายเพราะมันครอบงํามันเป็นไปเพื่อความเสื่อมมันเป็นที่อยู่แห่งอกุศล น, นะพวกทุตเจริญนิวรเนี่ยนะอุปกิเลสอากุศลทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมันครอบงาำยังไงก็คือมันครอบมันเป็นอันตรายที่ครอบงำปราบปร า, ปรามกดขี่ท่วมทับกำจัดย่ำยีบุคคลนั้นแล้วก็เมื่อครอบงำย่ำยีท่วมทับปราบปรามกดขี่อย่างนี้นะก็เป็นไปเพื่อความเสือเส่อมเสื่อมยังไงก็คือเป็นไปเพื่อความเสื่อมเพื่ออันตรทานแห่งกุโสรธรรมทั้งหลายอนนะ อันตรายเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมเพื่ออันตรธานแห่งกุศลธรรมเหล่านั้นนะคือถ้าบาปอกุศลเหล่านั้นเกิดเสียหายตรงไหนก็คืออันตรายเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพ <tra> ื่อความเสื่อมเพื่ออันตรธานแห่งกุศลธรรมเหล่านี้คือความปฏิบัติชอบความปฏิบัติสมควรความปฏิบัติไม่เป็นค่าศึกความปฏิบัติตามประโยชน์ความปฏิบัติรมสมควรแก่รม ไม่ว่าจะเป็นการทําให้บริบูรณ์ในศีลเนี่ยนะศีลอินทรีย์สังวรโภชเนมตันยุตาชาคุรยานุโยกสติสัมปชัญญะเสียหายหมดอะนะถ้าถ้าอันตรายเหล่านั้นเกิดเนี่ยนะทุจริตเกิดนิวรกลุ่มรุมอุปกรณ์ครอบงำเนี่ยเนี่ยศีลอินทรีย์สังวรโภชเนมตันยุตาชาคุรยานุโยกสติสัมปัญญะหรือแม้กระทั่งโพธิปัจจะธรรมไม่ว่าจะเป็นสติประธานสมมาประธานอิทธิบาทอินทรีย์พะละโพชองอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เสียหายหมดแหละ เพราะฉะนั้นอันตรายคือทุจริตสามนิวรห้าอุปกิเลสทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อความเสื่อมเพื่ออันตรทานแห่งกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งมวลเนี่ยนะกิเลสเกิดอยากฟังธรรมไหมไม่เอานะไม่ชอบเลยเลยโทสะเกิดเนี่ยเอาไห ม, ไมเอาแค่ฟังยังไม่เอาเลยจะ ก, กล่าวไปถึงปฏิบัติธรรมเนี่ยนะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเอาหล่ะ ราคะกลุ่มรุมโทสะกลุ่มรุมโมหะกลุ่มรุ ม, รมนี่มันอันตรายมันทำลายบาปกุศลทุกทุกชนิดนะทำให้ไม่ให้ทานรักษาศีลไม่ให้บำเพ็ญทานศีลเนี่คขมะปัญญาวิรยิยะขันติสัจจะที่ฐานเมตตาอุเบกขาพระวินัยปิฎกที่พระพุทธเจ้าพร่มสอนมามากถ้าราคะโทสะโมหะเกิดเนี่ยละลึกได้ไหมไม่ไ ด, ไได้ในกิเลสเกิดเนี่ยมันบิดเบือนทำลายคำสอนหมดแล้วนะไม่เหลือสักอย่าง นะพระสูตรพระวินัยพระพิธรรมที่รองสอนขึ้นมาเนี่ยนะถ้าอันตรายเหล่านี้เกิดในภายในเสียหายจริงๆเลยนยะ